ศาสนาอื่นๆมีด่า ด, ดื่นท้องถิ่นเป็นเมืองขึ้นของศาสนาพุทธเข็มทิศจะรู้ตัวว่าชี้ไปในทางทิศเหนือหรือไม่รู้ก็าตามจะมีกี่นั่นลานเข็มทิศก็ตามก็ชี้ไปในทางทิศเหนือชั้นใดศาสนาอื่นๆจะรู้ตัวว่าเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหรือไม่เป็นเมืองขึ้นก็าตามก็ชั้นใดกับเข็มทิศที่ชีาาาา้ไปในทางทิศเหนือ ถ้ายกอุทธรทางสูงถ้ายกอุทธรทางต่ำนี้น้ําห้วยน้องคลองเมืองบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลชั้นใดน้ําจะรู้ตัวว่าไหลลงหรือไม่รู้ตัวก็ตามก็ไหลลงสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่ได้มีทิฐิมานะว่าน้ําทั้งหลายไหลามาสู่เราชั้นใดก็ดีพระพุทธศาสนาก็มามีทิฐิมานะว่าเป็นเมืองขึ้นของเราแต่ความเป็นจริงก็ หากว่าไหลลงสู่ทะเลแต่ความเป็นจริงคําสอนทั้งหลายเหล่านั้นก็ไหลลงสู่คําสอนของพุทธศาสน า, าโดยในถ้าเรียกถ้าเรียกกันในทางทางลึกนะถ้าสมมุติในทางลึกทางพุทธศาสนาก็ม่ได้มีทิฏฐิมานะหนอกวาศาสนาอื่นๆเป็นเมืองขึ้นของเราแต่ทําไมถึงเอามาพูดก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เอามาพูด ทั้งหมดเรามาศาสดาขอยืนยันอยู่เลยศาสนาอื่นๆไม่มีหรอกสุภัททะเอ๋ยโซดาบันทกระทามีอนาคามีไม่มีในศาสนาอื่นหรอกเธออย่าไปสงสัยเลยมีในพุทธศาสนาสิ่งเดียวเท่านี้โสดาบันทักระทามีนาคามมีนาคเพราะอัชานะไม่เป็นไปได้เราจะทถาข้น เราเราตาคตรู้ดีสิ่งที่สามารถเป็นฐานะและอฐานะชานากกเรสามที่ยาวตาคอก็มีทศพลัญานสิบใครกำลังเข้าฌานตาคตก็รู้ใครกำลังออกฌานตาคตก็รู้ใครมีกกเรน้อยกกเรบางตาคตดรู้หมด เนื้อโลกถึงเพียงนี้แล้วทิฏฐิมานะ์เขาก็ยังไม่ลงนะสุภทะ <literal azt> เหนือเทวดาทั้ทงหลายที่เขาไม่ลงเราแต่ถาคตรก็เพรา ะ, ะตาเขาบอดเขาไม่มองเห็นจะถาสถานโคตจะไปโกรธให้เขาก็ไม่ถูกเพราะเขาไม่มีตาตาปัญญาของเขาไม่เห็นเพราะเขายังเป็นดอกบัวอยู่ใต้น้ําแต่ว่าดอกบัวเสมอน้ําและพ่นน้ํามันจะมีอยู่ เราะถาพัต์จึงที่เอสั่งสอนพระพุทธศาสานาตามคำยังวอนของผมนั่นเองนี่ปัญหาสอนเข้ามาว่าฉะนั้นพระบรมศาสดาพอสาเร็จพระรหันสมมาสมพุทธเจ้าแล้วจึงไม่ไปสั่งสอนนิกรนมนุษย์เทวดา ทั e ้งหลายด้วยพระองค์เองทําไมถึงทําท่าทําทางให้คนอื่นมาอาราธนาเสียกอนก็เพราะธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นมาอย่างนั้นการการแสดงเยว่กหมือนกันก็แสดงตามธรรมเนียมของพระพระสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนการอาราธนา ให้มาเทศโปรดสัตว์ในวจจาศังสารก็เหมือนกันเป็นธรรเนียมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไม่ได้ทําให้นอกเหนือทําเนียมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเลยพอทัศลูแล้วจะได้แสดงธรรมจากกรประวัติน่าสูตรก่อนมูก็เป็นทําเนียมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเหมือนกันไม่ใช่แตถาพจนจะทํา เ, เลยเขตเลย แต่โธมัสสาวกก็เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเหมือนกันนางพิศนีก็เหมือนกันสาวดีบุตรโมกคันลาปาถนาเป็นสาวกเบื้งซ้ายเบืงขวาแต่ข้างพระเจ้าอนมทัศน์สีชนุตตะมูพระเจ้าอนุมทัศน์สี ก็ทํานายถ่ายทับว่าต่อไปนี้นานแสนนา น, านจะมีพระสมณะโคดมมาอะไรข้างหนา้าเธอทั้งหลายจะสำเร็จเป็นภาษาวบางซ้ายบางขวาจริงส่วนลูกศิษย์ คนละหมืน่นลูกศิษย์ภาษาเรียบุตรก็หมืน่นไม่ใช่หมืน่นคนละสองหมืน่นเป็นสี่มืนไปสังเทศพระเจ้าอนุมัสสีไม่ได้ปราฏนาอันใดเลยค่อยพ้นทุกโดยด่วนในขณะที่นั่งฟังนี้ก็แล้วกันเขาได้ก็สำเสาร็จศาลาหมด เป็นเอหิพิกุพสัมาทาหมดเขกันสาลีบุตรโมกขลาไม่เอาพอไปเห็นสาวกเบื้องขวาของพระอนุมสัสตรีและชอบมากภาษาในบุตรพระโมกขลาก็เหมือนกันก็เลยปาถนาไปสาวกบางซ้ายบางขวา เหตุไนจึงไปพบกันอยู่ที่ป่ากพระพุท ธ, ธเจ้าอนมุมัติสีก่อพระว่าพวกนั้นพวกนั้นเป็นแสดงเป็นสระดาบุตรมีบริวารคนละสองหมื่นสองหมืนอยู่ในป่าพระเจ้าอนมุมัติสีมาก็เกิดเรื่อมใสเลยประกาศว่านี่ประชาชนพลเมืองเห็นก็ไปกาดทูลนะเออ ในโลกนี้ก็นึกว่ามีแต่ท่านสองพระองค์นี้ยังมีคนดีกว่าพวกท่านไปอีกหรอกหรืออ ย, อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเรามันเหมือนเม็ดพันพักกาพระองค์เจ้าเหมือนภูเขาสีนเนโลราสาเลบุตรในสมัยนั้น พในสมัยนั้นก็โด่งดังพอพระเจ้าอโนมาทัศส์ศรีมา ก, ามาก็าลไาวากั้นชัดให้ถึงเ็ดวันกั้นชัดให้พระองค์เข้าในรถสมาบัติแล้วก็ฟังเทศด้วยพอออกจากสมาบัติมาแล้ว ลนุกสิสังเทศลูกศิษย์ก็สําเ็จพระหัน์หมดยังแต่ระษาใิบุตรโมกคันลาเพราะความปรารถนาในภพน้อยภพใหญ่ยังมีอยู่ความปรารถนาในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยมันดึงไว้เหมือนกัน ทำไมจึงพอใจเพื่อคนทุกข์ในวัาฏสงสารในปัจจุบันนชาติคำว่าปัจจุบันนชาติปัจจุบันนจิตปัจจุบันธรรมเรียกว่าปัจจุบันในชาติเมื่อพ่นจากเสี้ยโดยสิ้นเชิงในปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมก็คือปัจจุบันในชาตินั่นเอง นิมิตต่างๆน่ะน่อมันผ่านมาแต่พันออกปฏิบัติทีแรกแล้วพัะจะเป็นไปเพราะเหตุใดคำว่านิมิตทะลุภูเขามันเหลือวิสัยผู้ฟังจะเชื่ อ, อ ม, มันเป็นด้วยวิธีไหนทีนี่ เออมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราภาวนาเข้าไปเราภาวนาเข้าไปมันก็เกิดแสงสว่างที่นี่แสงสว่างมันก็ทะลุภูเขาไปเลยทีนี้เราปรากฏหอเหินเดินอากาศปรากฏเหาะไปตามแสงสว่างไม่ใช่ว่าเอาหัวไปชนเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเอาหัวไปชนภูเขามันไม่มีกีบกันเสียเลยเช่นเราเหาะไปอย่างนี้มันเป็นป่าไม้หรือเปลี่ยนภูเขาอย่างนี้ มันไม่กระเทือนเชื่อเลยมันแหวกว่าให้เองไม่ใช่เราไปชนมันมันเหลือเชื่อของมนุษย์อันนี้เพื่อไม่ถึงอุปจารสมาธิทำไมเป็นดอกอุปจารสมาธิโลดผลอัลปนาสมาธิมันมันไม่ไปหรอกมันอยู่กับที่มันรู้สึกว่าแต่เบาเท่านั้นแหะมันก็ อ, อยู่กับที่อุปจารสมาธิทั้นั้นแหะที่โลดผล ปรากฏว่าหอเหินเนือน้าขาดอุปจารสมาธิทั้งนั้นะมันก็ไปทัาตัวมันนั่นละเหมือนเรานอนฝันนี่แต่มันชัดกว่าฝันหอข้ามกำแพงพยุงตัวลงห่อคุกเข่า อยู่ข้อก่อยภาคใต้วันหนึ่งสนทนากันกระเพาะพิษสูงเกิดปัญหากันขึ้นมากมายหลายล้นเกิดปัญหาในเรื่องทุดงแต่เรายึดถือรั้นเราไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนทุดงมูจะเปลี่ยน ส่วนหลวงปู่เทศท่านไม่ว่าเนี่ยตระเสดวกของใครของมันหลวงปู่เทศเป็นเป็นผู้ฉลาดมากส่วนพระจป็พวกน้อยน่ะสนทนากันว่าจะเปลี่ยนธุิดงจะเปลี่ยนทาไมเวลาเราไปอยู่กับหลวงปู่มันเราก็ทำดีเพราะเกลีงท่านจะไม่รับเราไว้แต่เดี๋ยวนี่ท่านสิ้นลมปานไปเสียแลว้วไม่พอปี เผอกเราจะขนทูดงมาทิ้งลงในมหาสมุทรอินเดียผมมายอมเปน็นอันขาดพูดอย่างนี้ทีนี้ผมมายอมมันจะสู้เขาอยู่ภาคอีสานไม่ได้นะนี่นะเรามาเสียค่ารถค่าเรือขนาดไหนแล้วเอาข้อวัดของท่านมาทิ้งผมมายอมนะผมมายอมทิ้งกรหมูเถียงกันไปเถียงกันมาหมูก็ไม่ใช่เถียงผิดกันหรอกก็พูดกันยิ้มแย้มยิ้มซายนี่แหละทูดงอันนี้จะทิ้งวิธีไหน ก็ตื่นเช้าแล้วเขาก็เอานมมาให้แล้วไปชันนมเช้าก่อนจะไปบินทบาทเออมันไม่ใช่มาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกมันมาหากินผมไม่เอานะนี่นะอืมพูดอย่างแล้วแหละทีนี้อือพอมันคัดต่อทุิดงมันก็เป็นชั้นสองหงที่ถ้าฉั้นนมแล้วจะไปบินทบทัตผมไม่เอาดอกอะไรอย่างนั้นหลวงปู่เทศหวัวเราะทีนี้ สนทนากันไปไทยกันมาสีนี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันนั่นแหละทีนี้ท่านอาจารย์มหาปินบอกว่าเราไม่ต้องรับนิมนต์มาทางนี้ไม่ต้องรับนิมนต์นี่องค์หนึ่งคัดค้านท่านอีกถ้าไม่รับก็ไม่รับหมดมันจึงถูก ถ้าเขาเอารถสวยๆมารับแล้วก็แต่งของไม่ทันก็พอร้องพอให้ละพอร้องให้ละก็ขึ้นรถเขาปลอไปถ้าไม่รับก็ไม่รับทั้งคนรวยและคนจนคนหนึง่งผู้เอาตามแบบท่านอาจารย์มหาปีดอยู่บ้าที่ถูกโจมตีชาวตลาดที่นี่ เราเป็นคนทุกคนจนไม่ได้ทําบุญกับพระพวกนี่ดอกคนรวยท่านยิ่งไปนั่นนั่นนั่นนั่นเห็นไหยท่านในจันมหาีนี่ก็อยู่มาอยู่มาก็เลยตกลงรับในมลไม่สัพเ็เหตโตท่านในจันมหาอนี่มันตะพัดตังมันเป็นรับในมลก็เพราะบรมศาสดาทรงอนุญาต ล้วจะไปะตั้งกดมันก็ไม่ถูกแล้วแต่ใครอะอย่างนั้นฉันกันโฆาการไปข้างล่ากั น, ก น, กนทีนี้เราก็ไปนอนที่กระต๊อบทีนี่แล้วก็กำหนดลมนอนทีอนี่นอนอะในวันนั้นนอนที่กระต๊อบมงุงกา เาไม่แผ่บ้านเขาเรียกว่าไม่ช็อกทางนั้นลำโตเท่าไม้ไผ่บ้านนะมุงจากเร่อนอนพินหัวไปทางทิศเหนือที่นี่กุศหลวงปู่เทศอยู่ใกล้จากเราขาดหลังนี้ เป็นกฎมุงจากเหมือนกันกุศเราก็อยู่ในระหว่างขนาดลงไฟนี่เองยู่ทางทิศนี้แหละกุศลโลกุเทศก็อยู่ทางทิศนี้กุศลอาจารย์มหาเปรตเนี่ยก็อยู่ขนาดกุศคุณคิดกุศลล้างหนึ่งอีกก็อยู่ขนาดล้างนี้้วกราภสามครัง้งแล้วก็นอนภาวนากำหนดลมให้ใจเข้าออก ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นพ่ออารมณ์ห้ใจเข่าพราะมีแต่สังขารมีแต่กองทุกข์ทีนี้พิกใหม่แล้วไม่มีเราไม่มีแล้วไม่มีของเราไม่ ม, ม, ม, ม, ม, มีจะมีเรามาจากไหนมีแต่ขันห้ามีแต่กองทุกข์จะมีเรามาจากไหน เราไม่มีของเราไม่มีก็มีแต่สังขารมีแต่กองทุกข์พ่อคนรู้ให้ใจเข้าออกแตนี่มาบริกรรมแต่เพียงว่าเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มี ม, ม, ม, ม, มันเป็นคํายาวเกินไปและไม่ใช่คําเดียวไม่ไม่หม่ ไ, มไม คขา่าไหมไหมความว่าไม่ใช่เราหรือเราไม่มีพฤติกรรมคําเดียวแต่ไม่ไม่ไม่ม่พ่อองกับพูดที่ว่าไม่นี่มันอยู่ที่ไหนมันว่าขึ้นจากไหนดาวนองมาถึงนี่พ้องกับลมเข้าลมออกเห็นพ่อพ้องกับพ้องกับลมเข้าลมออกมันมีอะไดก่อนให้รหลัง ล้มละเอียดพับเข้าไปที่นี่เงียบเลยที่นี่เสียงสว่างโลออกมาที่นี่นเป็นอุปจารสมาธิเราเพ่งเกินไปมันก็กลายเป็นฌานที่นี่ที่แรกมันเป็นวิ ว, วิปัสสนาบริกรรมมันเป็นปัญญาบริกรรมถ้าเราเพ่งเกินไปมันก็เป็นกลายเป็นฌานที่นี่กลายเป็นอุปจารสมาธิมันก็โลมมดในวัดน่ะในวัดโคี๋ ที่นี่เราปรากฏว่าเรามาทำข้อวัดดูที่กับหลวงปู่หลวงปู่เทศทีนี่แต่กุฏของเราอยู่ที่นั่นไม่รู้ว่าเรามาเ ว, เวลาไหน เ, เรามาอยู่ที่นี้ดูมันแสียงสว่างไปเรามองไปเห็นพระอาจารย์มั่นพินนานมาทางนี้ทีน ทีนหน้ามาทางนี้ท่านก็ยืน ห, ห่มผ้าเฉียงบ่าอยู่แบบนี้แต่ว่าพิมมาหน้านมาทางนี้ ห, ห่มผ้าเฉียงบ่าอย่านี้ไม่ได้ยืนแบบนี้ยืนแบบนี้ ห, ห่มผ้าเฉียงบ่าอยู่แบบนี้ทอดพระเนตรลงด่ดำนี่จะพายยากแต่ว่าพิมหน้านมาทางนี้เราพินหน้าไปทางนั้น กูตของเราอยู่ขนาดลงไฟนี่กุดของท่านลงผูเทศแต่ว่าเราอยู่นี่อ๋อนี่มียากใหม่หม่านหนึ่งลงที่นี่ท่านทำอย่างนี้ลงทำทั้งั้แต่ท่านไม่มองกายมกไม่ได้ยืนแบบนี้เพราะเราเหลือบเห็นที่นี่ เราเหลือเพียนอ๋อท่านพระอาจารย์ใหญ่มาแล้วเราเหลือเพียเนเอ้เราจะไปด้วยวิธีไหนเราคุกเขา่าเหาะไปเราจะไปเหาะสูงถ้าเหาะสูงมันก็ประมาทนึกนในยจําได้ถ้าเราเหาะสูงมันก็ปะกอะแล้วเหาะไปจับจังถึกบนองมือพร้อม พ, พ้อท่าภูเขาพอนึกอย่างนั้นแล้วก็นึกพุโทโธขณะจิตเดียวเปลี่วขึ้นเลยนี่อันในนิมิตนั่นอันนั้นสว่างโล่อยู่เหมือนกันหอภูเขาหอภูเขาปะนมือพ่อภูเขาปนมือพร้อ ม, ม, ออมค่อยไปค่อยไปแบบนี้ ไม่ไม่ไม่ไปรวดเร็วไปพอไปถึงท่านพอไปถึงท่านก็พยุงตัวลงพยุงเข่าลงทั้งมือก็นบอยู่ด้วยแล้วก็เหงนหน้าเพื่อนมันชัดมันจําได้ชัดนี่ผู้ไหวเป็นผู้แห้ฟังก็ไม่เชื่อดอกเหงีนหน้าทาก็อยู่นี่ท่านใจเปลี่ยนยากไหมหน้าตาอะไรเลยนี่ ถ้าจะเปลี่ยนไหมเมื่อเปลี่ยนหรออันนี้ก็เอาม า, าจากบ้านหลวงศูนยที่พระ อ, อาจารย์ใหญ่ให้ไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเนี่ยพระอาจารย์เขาไม่ได้เดี๋ยวโยมจะมาแต่ เ, เขาของเราลงพื้นแน่นพราะเราค่อยพยุงลงไม่ไม่ลงแบบตึง เข อ, อยงลงความเบาลงเดี๋ยวยงมจะมาหาเราเราจะหนีดอกแต่ว่าน้ากตาของเราไหลแล้วเดินไปสองสามก้าหายตัวไปเลยแต่เราก็ยังทะองอยู่ที่นั่นยังไม่ได้รุกหนีจากที่นั่นเพราะน้ำตาไหลอยู่ พอจิตถอนออกมาก็น้ำตาไหลอยู่ <c oughs> แต่ว่านอนไม่ใช่นั่งนอนภาวนามันชัดยิ่งกว่าฝันทีนี่ เ, ออเราจะไปละโยมจะมาโยมเลยทราบว่าเรามาเขาจะมาหาเราเราคิดเกียจกุยกับเขาเดินไปสองสองเก้าก็เลยหายหตัวไป แล้วก็พ่อวงคมีที่นั่นสักคู่ีลยวก็กลับมาอีกที่นี่ไม่รู้ว่ามาจากไน้นมายืนแบบเก่านะ่อ๋ออ๋ออย่งอางออไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอวพราะอันนี้ก็เป็นของพ่อแม่ผู้จารให้ของเก่ายังมาทันพอทิ้งถ้าเราจะเอากับท่าน แล้วก็เก่งว่าท่านจะเพ่งโทษว่ามันไม่สันโดษเพราะมันไม่ทันพอที่จะถ่ายแล้วก็ไม่ออกเออถ้าอย่างนั้นเราจะนี้ไปเราพยมจะมาขายตัวไปรึเปลือยที่เราก็ตื่นสะดุ้งขึ้นมาเขาเห็นลมป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอยู่นี่เช่นก่อ น, นจิตจึงฟุ่งไปทางอื่นนี่ถ้าเราตื่นขึ้นมาเราไม่เห็นลมเราก็นึกว่ามันจะฝันจริง <c oughs> อันนี้เราเข้ากรรมฐานที่ไหนมันเห็นอยู่นี่แล้ว เ, เข้าไปจากลมคิดเราพุ่งออกมาพอจิตเรารู้สึกตัวมาเราก็มาเห็นลมเข้าลมออกก็แก๊ก็แค่ตัวนี้เห็นบริกรรมคําเก่านั่นเองไม่ใช่เราเราไม่มีไม่ใช่เราเราไม่มีของของเราไม่มีไม่ใช่เราไม่ไม่มม่ย้่คําเดียวไม่ไม่ย้่อคาเดียวมาเห็นอันนั้นละก่อน น้ำตาเราก็เลยไหลยอยู่เออตื่นขึ้นมาวันใหม่ก็ไปกราบเรียนหลวงปู่ลวงปู่เทศท่านพิจะหาได้ความยังไงได้อยู่กับผมแต่ว่าจะถูกหรือจะผิดไม่ทราบข้อวัดที่พาทำอยู่บ้านน้องผือนั่น ถ้าลงมาทางนี้ถ้าเขาคัดข้องก็ให้เปลี่ยนเสียบ้างค่อยๆก็ไว้่าง้อย่างนั้นแหละจึงเอายามใหม่ให้เขวานเอามาจากบ้านหลงพื้นก็เป็นคำสั่งคำช้อนของท่านไม่ยอมเปลี่ยนเพราะท่านโดดอยู่ตามเกาแต่ท่านก็มาเห็นขู่เข็นอะไรก็เลยหายตัวไปยืนเป็นทาาตรงทาสังเวช ท, ท่านยืน ไม่รู้ว่าจะถูกจะผิดเออถ้าให้เราแก้กเราก็แก้อย่างนั้นแต่เธอก็แก้ถูกเหมือนขันน้องปู่เทศเออพูดให้ท่านบนเลือฟังท่านบนเหลือไม่เชื่อก็ของตัวไม่เป็นอุจารสมาธิมันก็ไม่เชื่อล่ะมันไม่เป็นเออ ปัญหานสมาธิน่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเข้าไปแลาวหูได้ไม่ได้เยน็นหรอกมันก็เบาปลิวอยู่เฉยๆเนยมันไม่สแสดงโลดผล อ, อะไรหรอกปัญนานสมาธินี่ยและในเวลานั้นมันก็ไม่สงสัยว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือไม่ถ้าหากว่ามันสงสัยว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือไม่มันยังมันก็กลายเป็นอุปจารสมาธิจาระแปลว่าไปตามนิมิต อัปนาสมาธิมันอยู่กับที่มัไม่ได้ส่งนอกหรอกหูไม่ได้ยินหรอกมันถอนออกมาหูจึงได้ยินแต่ว่าเราเข้าวิธีไหนเมื่อเวลามันถอนออกมามพระอาจารย์สมาธินี่อัปนาสมาธิถ้ามันเข้าปรากฏออกพับแบบนี้เวลามันออกก็พับเหมือนกันแนะ่ะแต่มาเห็นกรรมฐานก ร, กรรมฐานที่เราเข้าไปที่แรกนะ่ะ เหมือนเราเข้าประตูแล้วเปิดแอปอย่างนี้เวลาเราเข้าไปเวลาออกมาก็แอ๊ดอีกเหมือนกัน่ะอืมแต่มาเห็นกรรมฐานที่เราตั้งไว้ที่เราเข้าทีแรกอัปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นเสียงได้ยินทีนี้มันไม่ได้ยินเสียงอะไันั่นอันแบบนี้มันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเหมือนกันแ่ะอุปจารสมาธิพอมันไปตามนิมิตจาระไปว่าไป หลวงปู่มั่นเคยอธิบายเรื่องอุปจารสมาธิข่าวอยู่กับหลวงปู่มั่นไปถ่ายไปถ่ายเป็นเลือดสาสิบครั้งแบกฟืนเอาไปล่มในฤดูฝนล่มก็ทิ้งทันล่มคุกเข่าลง พอไปะเยียบที่ปลวกที่ลุมปลวกเหยียบที่ลุมปลวกก็คุกเข่าตึงลงอย่างนี้ก็ทิ่งฟืนทันทำไมมันกระเทือนหัวใจบ้างอยู่มาอยู่มาไม่นานประมาณเจ็เดือนกวา่าถ่ายเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่ ง, ท ง, ทงออกวันละสามสิบก้างแท่งขนา ด, ด น, นี้ือนีย แต่ไม่เก็บไม่ปวดอะไรแต่ว่าหนื่อยแล้วก็นอนที่นี่นอนเมื่อในไปส่งน้มให้หลวงปู่ท่านล่าไปที่ไหนไม่เห็นวันนี้กุฏิของเราก็ไกลจากที่ส่งน้มท่านประมาณกุฏคุณคิดหลังหนูก็เล่าให้ฟังว่า ท่านเป็นอะไรไม่ทราบตายเป็นเลือดเดี๋ยวนี้นอนตะแคงข้างขวาอยู่แล้วก็นอนตะแคงข้างขวาอยู่ไม่ได้ผมผ้าเนี่จะพาอาสากระทอปที่อยู่มันก็เป็นกระท้อปที่กันใบตองและมุงมุงหญ้าประมาณพอรลวมกดเนี่ยมันไม่มีกระท้อปดีหรอกบลวงหู่มา ท่านก็ร้องดังขึ้นเออลองดูซิที่นี่ลองดูซิที่นี่เอ่อข้าวประจันบานแล้วเข้าวประจันบานแล้วเออข้าวประจันบานแล้วพ่าวนี้จะไหวหรือไม่ไว้ไม่ทราบละอลองดูซิลองดูซิลองดูกรรมาฐานซิร้องขึ้นมาดังๆตอนเยินเออฟ้าผ่าเรวแล้ววันนี้ เราก็ต er ั้มใจสินี่เราเห็นจากตั้งแต่คนอื่นตายเราจะดูเราตายมันจะตายพ้อมกบลมเข้าลมออกเราจะจับมันมันจะสิ้นลมาปพ้อมกบลมเข้าลมออกเราจะจับดูมันแล้วก็บริกรรมสินี่ลมหายใจเข้าก็บอกว่าตายลมหายใจออกก็บริกรรมว่าตายลมหายใจเข้าก็บริกรรมว่าตายไปประมาณสักสิบ้านาทีพริกใหม่สีนี่ ลมหายใจเข้าก็ไม่ตายลมหายใจออกก็ไม่ตายบริกรรมอยู่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเพราลงเข้าลงออกนี่กุปป aja แลสมาธิเหมือนกันรวมพลึบลงลอย่างนี้ทรลุกุ ต, ติขึ้นนอนขวางอยู่บนอากาศอย่างนี้ขวางอย่างนี้อย่าไม่รู้านานเ ท, ท่าไหร่นี ตอบเจ้าของอยู่ที่บนอากาศสูงลิบหลีเลยเมฆเลยนอนคว้างอยู่อย่างนี้นอนตะแคงข้างขวาด้วยเออนี่แหละมันจึงเป็นสมาธิตัดสินตัวอยู่ข้างางบนนี่สมาธิแต่ไม่เป็นอุปจารสมาธิที่นี่มันก็ถอนออกมาเองวันกันนานนานแสดงไม่ทราบแล้วไม่มีนาฬิกาดู ถอนออกมาก็มาเลยเห็นลมเข้าลมออกอยู่ตามเดิมก็กค่ก็แค่ก็แค่อยู่เสียก่อนจึงฟุ่งไปจึงฟุ่งไปทางอื่นมาเห็นอันนั้นแล้วก่อนวันหลังเราก็ไปกราบเรียนท่านเราก็ใช้คําว่านอนหลับท่านบอกว่าไม่ใช่นอนหลับหรอกแต่ว่าอันนั่นหายเนี่ยนะมันถ่ายหมดอันนั่นไปแล้วแล้วมันก็เลยหายถ่ายหมดเลือดอันที่ข้างมันลงลําไส้ ก็เลยหายหายไปมันถึงคราวจะหายก็ไม่ทราบงูไปหายยามาก็ยังไม่ทันแ้นก็เลยหายท่านบอกว่าจิตรวมในเวลาอา น, ะนาฝันสติรวมละเอียดถึงเป็นอุปจารสมาธิก็ตามก็เป็นอุปจารสมาธิอันละเอียดท่าพูด แต่ทุกวันเนี่ยมันไม่เป็นใช่แล้วเพราะมันไม่ไม่ไปอย่างนั้นทุกวั น, นมันพิจารณาปัญญาล้นล้วนทุกวั น, นไม่ยอมให้ไปอันนั้นก็ได้เพียงแค่นั้นแะไม่ได้อะไรอีกดอกหมดกำลังก็ออกมาเหมือนกันเพราะมันยังเป็นสังขารจัดเป็นปุญญาพิสังขารเหมือนกันจัดเป็นอเนชาพิสังขารเหมือนกัน จัดเป็นการมาพราะเจ้าลูกมันตีลังกามันห้อยโหนก็มีมันเดินยังโก ม, มาอากาศกม็มีมันเดินวนก็มีที่ปฏิบัติใหม่ๆมันโลดผนมากแต่ทุกวันนี้ปัญญามันมันมากนะมันไม่ไปใช่แล้ว สัญญามันมากกว่าเก่าทุกวันมันพิจารณาพัฒนาล้วนมันไม่อิงสมถะไปมากเหมือนอย่างนั้นเพราะเห็นคุณค่ามันมีเพียงแค่นั้นแล้วตีลังกาห้อยหัวลงมาผ่าสังขารและกีวรยังเดเรียกมีอยู่เหมือนกัน อันนี้มันก็ได้เพียงแค่นั้นจะให้มันพ้นจากโลภจากโกรธจากหลงมันไม่พ okay. ้นหรอกเคยโลภมันก็โลภมันเก่าแล้วเคยโกรธมันก็โกรธมันเก่าแล้วเคยหลงก็หลงมันเก่าแล้วมันได้แค่นั้นสมาธิกันนี่อันนี้เหตุฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าพระโมคคัลลาหะได้จริง ว่าะอจริงเรายอมเชื่อนี่ดำดินวินบนก็เหมือนกันอันนี้เพียงอุปจารสมาธิขนาดนี้ อยู่ท่ามพระเด่นมันไม่ไ ม, ไ ม, มีไฟ iya. ไม่มีไฟอยู่เดือนหนึ่งหรือท่าพระเอกก็ไม่มีไฟอยู่ยี่สิบสองวันท่าพะ like เดนจังหวัดเลยไม่ใช่พระแดนสะเอตัวดอไม่เอกตัวนอนมุสกตที่จังหวัดสกลนาคารจากจังหวัดสกลนาคารมาเป็นทางสิบสี่สิบห้ า, ากิโลเมตรมาทางทิศใต้จากจังหวัดสกลนครมาทางทิศใต้ มันก็ขึ้นอำเภอเมืองกันเองแต่ทุกวันนี้ขึ้นอำเภอไหนไม่ทราบบ้านนานกข้าวโอรู้จักครับรู้จักบ้านนานกข้าวทำครับติดกันฮะฮะบ้านนาทากับผพาโนกข้าติดกันครับเออนานกข้าวที่ในหลวงไปทําชวนประทานให้เดี๋ยวนี้ครับอ่นานกข้าวแล้วก็บ้านเรานกยุงอีกครับเรานกยูงตมบลห้วยยางครับเออบ้านนาขัแก่อีกนาขับแก่กับตมบุห้วยยางเออทั้งไปหมดนั่นแหละอยู่ในบริเวณนั่นล่ะเราไปอยู่นั่นยี่สิบเก้าวัน ไฟไม่มีเลยเว้นวันฉันทางสี่สกิโลขึ้นเขาลงห้วยเอ๊เรามาอยู่คนเดียวเรามาอยู่คนเดียวนี่ถ้าหากว่าเราจะไปชันบนภูเดี๋ยวเขาจะกล่าวตูว่าเราเอาเข้าวบายเหลือไว้กินตอนเย็นเยาจำเป็นต้องหาอุบายชันนี้เขาเห็น เาถามเขาว่าออกจากบ้านมานี่ที่นาที่ทุ่งนานีน่ามีนาไหมเขาก็บอกว่ามีจะมาจะชั้นที่นี่น่าจะพายบาดเป่าขึ้นไปข้างบนฉันเ่งเขาเห็นพายบาดเป่าขึ้นไปถ้าเราพายบาดขึ้นไปุ้นบาดขึ้นไปชั้นบนผู้เขาก็จะกล่าวตูว่าเรา เอาอาหารเฉษไว้กินตอนเย็นรักษาวงตะกูลทั้งขนาดนั่นแหละพ <c oughs> นามข้งบนก็มีอยู่แต่ค้นทางร้อยเส้นก็สี่กิโลกกว่าสีกส่กิโลคันทางค้นทางประมาณร้อยเส้นขางเขาเขาก็บอกว่าร้อยเส้นสี่กิโลแต่เป็นภูเขาชันพอได้มือนกัน สมัยนั้นมันมีชัตป่าสารพัดในน่ะอันนี้เลี้งข้างบางชนีมีทุกอันหมูม้าอะไรมีหมูหมูมีลงมาพบหมูป่าวันหนึ่งลงมาพบหมูป่ามันเป็นทางเอี้ยวๆกว่อนหินพอมาเจอมันแล้วก็ภาวนามาขาเราก็ยังขาท้ายของเรายังไม่ทันเหยียบดินเลยก็ยกอยู่ ก็พบมันพอพบมันก็ตอบตนได้ทันทีบอกว่ามันหลงสติมันเดี๋ยวมันจะไปดอกวูกคำเดียวเลยไปเลยสูงขนาดเอวนี่กล้ๆไปประาณแขนเดียวเท่านั้นหละมันก็พินมาหาเร า, ห า, ห า, ห า, หาแล้วก็กำลัง ก้าวขาก้าวขาท่ายังไม่เหยียบถึงดินพอเห็นมันก็ตอบได้ทันทีไม่ใช่ลูงเลยเพราะบริกรรมภาวนามาทุกก้าวขาเดินไม่ใช่ลูงมันเอี้ยวจากก้อนหินไปนิดหน่อยมันเป็นทางคดๆพอเอี่ยวไปก็ไปพบมาเลย เราลำบากมานานแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่อันนี้เราอยู่อย่างสบายแล้วสมัยนั้นคุณแม่นุมหลวงวิจารณ์คุณแม่วิจารณ์ผมรู้จักดีเลยนะผมสกล ค, ครพศสองพันสร้4 4. อก้าสิบสี่มือจักไม่นุ่มมารู้จักชุกวานนนท์ น, นางตุ่มชุวานนท์แม่ลูกอิน ผมพอกพักอยู่หน้าบ้านข้างติดกันเลยนลัวติดกันเลยเ<อ>ครับพ<อ>นักงานอย่ที่นั่น<อ>ผย่นอคอยี่แปดปี<อ>จานคงตายแล้วนะตายไปแล้ว<อ>จานคงสมันะจนจานคงก็ไปรอถวายพระเพลิงอยู่นั่นสามเดือนกว่าๆร อ, ถ, อรรงงถวายพระเพลิงรวมปู่มันถวายเพลิงเนยได้ ปีเกษผมไปรับราชการอยู่ที่นั่นเป็นครั้งแรกเลยออผมเป็นตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยมเดชจังหวัดคุมสองจังหวัดทางสกลนครนครอฐอเพราะฉะนั้นแทบทุกตำบลแทบทุกหมู่บ้านผมรู้ทราบดีหมดอนาในบ้านหนองผือนาในผมไปหมดนะอืเดินตั้งแต่บ้านหนองผัดเพียมเข้าไปในวัดจตุภูมิมาในกระไดผมทราบหมด บ้านหนองผือตะบนนาใ น, น, านอํเอาเภอพนนานีคมสมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็คงขึ้นคงเก่าอยู่ของเก่าอยู่ไม่ไม่ใช่คูดบากหรอกที่เขาไปลงในโลกทิพย์ว่าอําเภอบ้านหนองผือมันลงผิดบา้บาๆไปไปบ่อๆไ ป, ไปอือปที่ว่าไปอยู่จังหวัดสกลนคร 4, สีพรนศานะ่ยไม่ใช่หรอกไปลอเขาไปรอถวายสักพึ่งต่างหากหรอกอาจารย์อาจารย์เว่นนี่นี่คืออาจารย์นี่นั่นอาจารย์เว่นอาจารย์แว่นมาทีหลังหรอก มามาที่หลังหลวงปู่มันน่นในพานทนปะปารลครับครับจันแวนท่านมาที่หลังท่านเขานิมนต์มามาอยู่ที่นั่นครับมาดูแลามามาดูแลอยู่ที่นั่นพอถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่นแล้วเขาก็เอาท่านอาจารย์เวนมาทีแรกเขาจะเอาท่านอาจารย์วันแต่ท่านไม่ว่าพิธีที่ทํา อาจามันทุกครั้งที่อยู่วันที่เอ12พฤศจิการครับทุกปีที่มาท่านนั่งผมไปทุกครั้งครับอืท่านเจ้าคุณทําให้เจดีมติย์ท่านเจ้าคุณทําให้เจดีเอพวกท่านทางร้ายต้องมาไปชมกันที่นี่นะอออืมถ้าวันเช่นค่ายกับวันถายพผาเพลิง Race แล้วก็ประชุมกันประชุมกันก็ทําไปไม่ถูก กับใจของแต่ละท่านบางท่านก็เอาบุญพาเอาบุญพระเวทชั้นดอนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่ถูกกับใจกรรมฐานมากถ้าหากว่าจะไปไประชุมที่นั้นบางท่านออกมติว่าก็ไม่ควรหาไรายได้มีข้อวัดอะไรอะไรก็เอามาเทศสั่งสอนกันเอาบุญพระเวทชั้นรอนบ้าง เทศโจทท่านนั่นธมามบ้า ท, ท่านนี้ธมามบ้างเพื่อหารายได้ผู้ใจสูงก็ไม่อยากไปทีนี้เพราะสิ่งหลานี่มันเป็นกับท่านเจ้าคุณพิสาราลูกศิษย์คนปติของพ่อเันเออรู้ว่าเลยอำเภอพัฒนาไปนิดหนึ่งแล้วก็ไปอยู่สามสี่ปเีเลยไม่ไปอีกเดี๋ยวเขาเลยไปไปไปขั้งที่ เปิดพิธภัณฑ์ในไปอีกตอนนั้นรู้สึกว่าอาจารย์ที่ทําพระบ่องาอาจารย์ครับปองจารยสิมไปจารสิมไปเทศอาจารย์สิมลูกปูมหาบัวองหนึ่งไปแล้กวก็ท่านอาจารย์เทศบ้างลูกปูฟันบ้างแต่ว่าทุกวันนี้คงจะไม่มี ใครไปหรอกทุก ว, วันคงจะน้อยลงแล้วทุก ว, วันนี้เพราะมันเป็นบ้านเป็นเมืองหมดแล้วแต่ก่อนมันก็ไปบินทบาทมันหนึ่งกิโลกันดีๆนี่เองครับมันก็มีสนามบินที่พวกโคราชที่สางเป็นส า, ารการเป็นสำนัก ง, งานจังหวัดปุกม็เป็นราการหมดมันมันมันเป็นบ้านเป็นเมืองหมดแล้วทุก ว, วันนี่นั่นหละเพียงสามสิบปีเท่านั้นละ่ะ มันกลายเป็นเมืองไปหมดแล้วเหตุฉะนั้นจึงว่าแต่ก่อนมันเป็นวัดป่าหมดช่างพุทธการก็เป็นวัดป่าหมดพระบา้านงอกมหาวัดนี่โคทารามก็วัดป่าป่ามหาวันก็วัดป่าลัตทิวันสวนตามหนุ่มลัติวันสวนตามหนุ่มเวรวันสวนไม่ไผ่เป็นที่อยู่แห่งกระแตกาลันดะแปลว่ากระแต่ สวนไม่มะม่วงก็วัดป่าของนางมันลิกาสวายัยอำพะป่าอำพะวันอำพะป่าเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นเมืองเลยเดี๋ยวนี้ ที่โคราชที่โคราชก็มีบุตรบพอีกเหมือนกันเหียงหนึ่งเหมือนกันแต่เรื่องลัทธิที่จัดงานในวัดหาเงินมันไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มัน่นถ้าใครไปทำแล้วก็ลำบากเหมือนกันแต่การจัดงานขึ้นเพื่อหารายได้ ไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มัน่นเพื่อก่อสร้างเพื่อหาไรายได้ก่อสร้างเพื่อหาไรายได้ซ่อมแซมไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มัน่นแต่ทุกวันนี่มันแตกฉานกันเลยเหไม่รู้ว่าใจยังไงถ้าพูดไปมันก็เป็นเรื่องขัดลายได้ของกันก็ทําให้คนอื่นรังเกียจถ้าเราไม่ทํำเราก็นิ่งๆแทบดีกว่าเราจะไปพูดให้เขาเรังเกียจเราทุกวันนี้ พูดไม่ได้หรอกมีงานทุกปีแล้วก็ไปปีหนึ่งแล้วไปปีหนึ่งที่นี้เราก็เข็ดตายเราก็เลยไม่ไปเพราะมันหนาวจัดเพราะเฉพวะนั้นเข้าคิวมาคิวมาถามข่าวถามข่าวสารพัดทุกๆกิจ เดี๋ยวกองตักน้ําเออก่อเดี๋ยวก็กองเออกองนัําปก อ, อกองพุทธาพิเศษเออ <c oughs> พุทธาพิเศษไม่มีในปฏิปทาพุทธาพิเศษไม่มีปฏิปทาหลวงหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นบอกว่าจะพิเศษให้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นก่อนพวกเราแล้วนั่นบาปท่านพูดอย่างนั้นหลวงปู่มหาไปแล้วก็หัวแล้ว เหมือนกันแต่แม่มาให้ท่านเห็นพอเห็นหลวงปู่ ม, มาหาไปทหารก็มากันเป็นจับจับเลยมาลุ่มไม่เห็นเออคัดเชิญให้กลับไปเช่ากอดให้องค์ท่านไปส่งน้ำแต่ก่อนพวกทหารก็แตกแนี้เลยทีนี้มีพระองค์หนึ่งมาถามเหนื่อยไหมท่านอาจารย์พระวัดาก้นกหน่วยสออิผมเป็นที้ฆ่ามาหาเงินให้หมูหลวงปู่มหา มหาศาลใช่ไมหาบวหาบวเอ่าท่านจะมหาโบวผมเป็นชีข้ามาหาเงินให้หมูหมูจัดหาเงินมาให้ผมยุ่งด้วยมันก็เหนื่อยจะตายปีหลังท่านก็เลยไม่ไปเราไม่ไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ปูใช่ปลาให้เขาไปต้มไปหุงทำไมท่านท่านเลยไม่ไปปูมะหา แต่ถ้ามบนเหลือก็ไม่ไปแล้วนี่เราก็เลยหลบทีนี้เราก็เลยไม่ไปไปัดเลือกกลาทีนี้ปักพักที่นี่พุโทโธธรมโอทั้งโคนิพานังพุโทโธธมโอทังโคนิพานังสีทุ่มหรือหรือห้ายังเป็นชุกเป็นชุกพุโทโธธรมโอทังโคคุณประโมท พวกคุณพ่อผมมีไหมล่ะมีครับมีเรียบร้อยอ่า